ตงกัคนโดยการระับวาไปมาอยากทำ น, นี้ต้องต้ใจเนะตัดชี้ใจนะเพื่อเราของเราทั้ เดีย๋ยมาสอนสาวนะต um ่อ sí ต่อฟ yes, ัในสมัยที่ใกลตายทำไม่ละอยดยางมากมาอะไรนะพวกเรานั้นพอได้ยินเลยฟังแล้วน้ำไปตกที่ใจแรงยังที่ทางเกิดทางันอย่างเขาอาจจะคือเกิดแต่เป็นปีศาจาททั้งหลายเกิดมาจากเกิดจะับเระเพราเกิดนี้ จะตินั้นไปปลกจที่เริญมรได้ที่ดงตาที่ทำเมื่อเจเราท่านระับร่างกายทำทำแสงสว่างความ่ยใจเจ้าเมื่อกว่าใจหน้าแนวพอสมควรจะจะไปปลุกจิที่เจริญมาเปลี่ยนจังเลยเมึกว่าจะเบาบางไปจิตใจงอยไ่ล่อยสจิตใจจงละถอนย่างยุติสิงต่างๆไดบ้างคือว่าทำทั้งหลายเกิดจาก มาปเหตุเค so, ืออะไรเกทหัวใจของเราเนี่ยราใ่เรื่องอื่นเจะเยเยอะเเ่ยงบังก็เรหัวใจเรา่ตปิโปดหลงอิสยาบต่างๆเขึ้นมาจากหัวใจใจจโ ใจติดคไปทางขั้วทางตันเห น, นมืมันคิดติดลงติดไปอย่างนั้นควันจะโกรกก็โรกควันจะโล่จะหลง ก, ลกล็หลงควันจะสั่งินระดิเศษเช่ก็สำนดดินดิเษเชไปตามอย่างเหา น, ะนั้นมันเกยวกับเกิดมาจากเหเเกิดขึ้นวาใจของเราเองสาเหตมีก็อคายชี่จะแห้ จิตใจของเราทงรางับควาโลภความโกรธาหลงิมี่งับบัคหืนปัดของใจดีวันจะโลภก็มีเงตาขึ้นมาแทนวันจโลภก็ไม่โลภ้วันจะหลงก็ใส่วนที่มาี้วนเห็นตามเป็นงวันจะถนัดย่งดีกับจิตใจม การสภาวะรำที่เป็นอยู่ผูเห็นการเป็นจริงก็งนี้ต้องหยินดีใส่ตามสิ่งที่อยู่ต่างจิตใจจงเป็นตัวสำคัญในธรรมะแผ่นจริว่ามโนผูกพันข้ามาทำมามโนเสถามโนมาย่างทำทลายมีใจทิ้งขอมีใจเป็นหัหน้ามีใจกระเจิด ม่ดับ่จะดั บ, ดบทไหนพใจที่มันวงจิดคให้ตัวได้รับความเดือดร้อนว่วายของสเราปรดับตรงนั้นเนี่ยคือไปมันเกิดขึ้นที่ไหนดับที่นมันทาที่ไหนจะตกตาว่า่นันอย่างนั้นหไป อยู the street, the nehmen, food, ่ใจเาัวเราท่านคิด่งส่งไปโดยไนคิดในการคิดการปรงทองใจนั้นเป็นไปเพื่อทางสะสมชีวิตหลือเป็นไปเพื่อการรักษาโดยเฉพาด็กทีิดตอนจิตของตัวเลยได้โคิดเหปรุงหตสุเหตไปอย่างไรปล่อยไปตามสะพาก้องนั่นนื่ทางผัวทางเสียมีการลังน่ะ ก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองจิตใจขุ่นมัวจิตใจเป็นทุกข์เหี่ยรอ้ดะนั่งตัดับเรื่อขใจจิตใจคิดคืองดใจนะในทางเสียหายก็อาศัยปัญญาปติตามรักษาติดอยู่เสมอไปใส่ใจเรื่องนี้คิดเรื่อดไม่เหลืออะไรการคิดคุ้ส่วนนี้จะท จะเกิดสติปัญญาวิจัยเนี้เมื่อยงจะเป็นไปเสื่อมพชาตเป็นไปเสื่อมุทรไทยสะสมกองที่เหลือองที่แข็แ่ตัวทั้งตัเอมีสตินจักความคิดจุงของใจมีปัญญาที่ารณาแจกไข่อย่างนั้นใจของกเรขั้นที่คยดื้อเดือดเคยสิ้นึ่งวางจับลง ก็เห็นเหตุเห็นผลว่าการคิ่ปรุงปรงไปไม่มีกำไรอะไรนอจกจากมันำทุกมาแห้ส่วนการามความสงบเย็นใจ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในี้เรื่อความสุขกาคิดการายคิดได้กรมฐ า, านด่านธรรมเสื่อละช้อนแก้ไข เปล่ยทิศทาเของท้าใจหรือคนที่ยังไม่มีที่ขความสงบก็ปูพันใช่ไหมสมานบทใบบนหนึ่งเอาไว้เราติดตามเรื่องของจิตท้าใจด้วย่ไปตามธรรมดาเราเคยปล่อยมาเป็นเวลานานปีไม่ยรับเ่ความดีอะไรจากการ แบบนี้เรามาสงบตายสงบจิตมาที่นี้ที่จะได้นาทำเราจะคัดห้ในแ่จิตใาจันรสม่นเสมอวารคิดภายนอกน่าจะมารบควนเราก็ไ่ติดตามจะพุ่งขึ้นจากใจเองพยายามเล้เนะ คิดเห็นว่าบทบริกรรมของตนที่ตนบริกรรมอยู่นั้นจะนำความสุขความเจริญมาให้มีอะไรที่จะดีวิเิษเข้าทำไหมจะ ท, ทำบริกรรมอยู่นี้เชื่อมา่นด่างนั้นอารมณ์ส่วนอิ่มจะมาผ่านหรือลงขึ้นจากใจเราไต่ติดตามและเกี่ยวข้อง ้เนี่ยพยายามรักษาทำบริกรมของ น, นจนิกับทำบริมเป็นอันเดียวกันสัมผัสันอยู่ประมาณเสนอความเบาส บ, บายจิตเลยจตงไปทางนอกไปเาบาไสบายไปจิตใจสะสัมผัสอยู่กับบทธรรมอย่นั้นก็ค่อยจะรวมรวมขอจิ ขาบางขันบางค euh, านมีนิสัยขาดฝนฝอจะลงบุบลงทีเดียวบางนงคนก็ฝอจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเหมือนสิ่งก่อนดินหรือก่อนหินหินน้ำอยจมลงมลงจนถึงี้ถึงทียนดนธรรมดาะเปนการหวั่นไหวนิจโงหยิงลงไปจิตใจางนสัยอละเอียดลงไปละเอียดลงไป แล้ก็ไปตังมันดึงในอย่างนั้นอารมณ์สั้ญญาต่างๆจะขาดไปทำบริกรรมใ น, นขณะจิตจิตเป็นอย่างนั้นจะไม่มีจะเป็นความอัศจรร์ที่มีความสุขมีความรู้อยู่กับความสุขอันนั้นขาดขัจนจะแน่หรืี่ชัวโมงคามจิตไม่ขอนขึ้นจากความเป็นอย่างนั้นจะไม่มีวันหวับ นั่นปวดนี้แต่ใน น, นี้ขาดจิตต่ละหน่อยงานขนาดนั่นขนาดนี้ไปจิตในตัวมาข้างน อ, อกจิตสงบรวมอยู่อย่างนั้นมันอัศจรรย์มันเบาสบายและเห็นคว า, า, นน า, นนคามสุกของธรรมด้เข้มแน่นในการปฏิบัติต่อไปแต่ยังไม่เห็นความสุขส่วนนี้ความรังเลสงสั ของใจยุญจะลังเลต้องใส่ไปเพราะว่าอย่างนั้นดีเพราะว่าอย่างนี้ถูกนิธรรมะบทนั้นธรรมะบทนี้เพาว่าทำง่ายทำไปช่วงระยะเวลานินอยกว่าได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้มาอยากเกิจตักุศลทำผิดของคนอื่นหรือตะกุศเงาไปก็เลยได้ผลได้ประโยชน์อะไรมากอย่าทำบริตามขอเราที่บริตามอย่านี้ อันนี้แหละเป็นของดีของดีเสียถ้าเราเหลวไหลในเอาจริงในวันนี้นี่แหะเอาอันนี้เป็นของจริงเปนที่สุดของเราแล้วอันอื่นเราไปทำไม่้วรจะสงสัยเหยอไปไม่ใช่ในเรื่ออะไรจัดการภาวนานเรื่องสงสัยตัวเหยไปม่งที่ควรจะวบค้มวุ่นายกันนะน้อย ขนานี้ยังมึงยังเห็นจะคิดรงไปต่างๆ่้าหากเราปลูกมั่นยังนั้นเป็นอย่างไรเป็นเป็นตทางอาจยังม่ได้ได้แล้วจบริกรรมอย่งนี้อ่ะให้เปลี่ยนที่ไปสิจันดาเาเมืนอีกจะรวมได้ลงไดจะเห็นอันสงของตามภาวนาความเบิกบานความยดเย็นขงจิตเพราะจิตของเราเบิกบานจิขเยดเย็น พอเราเห็นคมอย่างนั้นหยัดยันไปหมดไม่มีอะไรเป็นผาสุกแบบตู้ดูตัวหยัดยันเป็นสุกดูสุกบอลดูตัดดูต้นไม้อะไรยันไปทั้งหมดเราะจิตใจมันเย็นสะาจิตใจเห็นจิตใจเป็นอย่างนัเชื่อมั่งแต่เียงจิตสงบเพียงฝันี้ เายังมีความสุขความสบายขนาดนี้ทหารจิตละถอนที่เหนือด่จริงจจะมีความสุขนาดไหนแต่าความเชื่ออยู่ในใจจะเกิดมีลัึ้นแต่เ่ารฉันจิตฉใจเต้นฝ่าวมตนพออยู่ในคําวันี้ตามพออยู่ในบทธรรมอันใดอันหนึ่งจะความสงบ สงบกันไม่ได้หมายถอันนี้สองหมายตึงอนเื่อามสงบเสียก่อนยี่หมายถึงคุติีจิตจิตโยงไอแมาจตหากมีตามลงรวงมีตามเห็นแย่งไปจากงาจิตคุติมีก็นิสัยมีปัญญาจาตสมาธไปด้วยกันย้ายไปยินหลยฟังใส่จิตที่จะได้มาจ Wheels, the othes, down, t ็สงบปัญญาสงบเห็นสิ่งพร้อมกันไปอย่างนั้นก็ไปต้องบริกรมสั่งมาพิจารณาอะรตัวการเห็นสิ่งทางการสงบก็เกิดทางปัญญาละถอนผนแบบนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งในเรื่องของจิตเราใส่จิตติดตามอารมณ์ มันเป็นแบบนั้นรือมันเป็นแบบไหนถ้าเราจะปล่อยให้นฟุงชุ่มหรเรื่ยไปสงสัยตัดทุกข์เงามันปล ม, มีเวลาทำเราตัง้งมันม่นปลูกมัแต่อารมณ์ที่เราบริกรมอย่งนีเก็นสิ่ที่จะนำความสุขความเจริญมาให้ตั้ิตตั้งใจบริกรมจิตจังและจิตแต่วมรวมเป็นหนึ่นนง เราไม่เเคยเนมาก่อนควจ่าทำนายเส้นรวมยละเอีวมรวมมีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนั es, <S <S <language> ้นใจแต่หรับตำรอการเนี่สอนตัวของเราจไม่ใเ็นเคยเป็นเมื่อเห็นเมื่อเป็นเรื่องตัวเองแล้วรสาตต้องอัดคาเป็นอย่างไรอะไรที่จะเี่ย กับความเห็นความเป็นอย่างนี้จะคิดไหาอะไรมาเียบความสุสขท้องใจที่สงบไม่มีในโลกอย่นี้อีกคนลุ่มหลงเกิดเ ท, เทนใต้ต่างๆเพราะยังไม่เห็นยังไม่เป็นอย่างนถ้าเป็นอย่างนี้นจะ ม, มีการเกิดเชนหรือลุ่มหลงไปหายใจเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจะมีความสุข เชื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นการเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นความเพียรมันจะเป็นเองโดยแต่ต่อางัเป็นทาเพาะความเห็นความเป็นเข้าใจงลงไปเด็กแต่เกตางเลีนการภาวําการทำามเสียที่จะเชื่อมั่นเป็นตัวของตัวด่งพาอาศัความเห็ความเต็มทั้าใจ ทางาสตรแงอะสอนใส่บำยใจใส่เกริใจให้่สใจงวันต่างาว่าห็ก็จิตจิตอบรมได้ดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขของจิตอบรมได้ดีอย่างนั้นในเรื่อความสุขเกิดจากอันิจจะความสุขที่เกิด เลือยลอยมีเกิดจากเลือของอาไม่อย่างนั้นท่านจะเคยเป็นกษัตริย์เยเป็นเศรษฐี็จะมีคห่วงใยในต้องบัรในยศาบรรดาต่างๆ่นี้เปอย่างน้นท่านเขียนตงรู้อับคเกิดจากการปฏิบัติทองท่านมีันลืหลอมีคามห่วงว่า เป็เศรษฐีมความสุขเป็นกษัตริมีความสุขมีรถถังบรรดาเักดิ์มีความสุขท่านใหญลวงแตารเรื่องของอาณิชตายนอกเพราะท่านเห็นธรรมเด่นชัดยิ่กวาเสด็จอาณิชี่พวกเราติดข้องุดขอพระยังไม่เห็นไม่เป็นหนูแต่นั้นโอกาสเวลาที่พวกเรามัเอามารมจิตใจา จิตเ wow. อื้อมหเป็นอดคาปฏิบัติแล้วเ่มยงาคจาร์มิเอือมเปลือยกบรกรรมพุทโธโมังโ้เกามมาอะไรได้ทั้งนั้นจบริกรายาทั้งนั้นถาจิตลงรได้ดอาจารย์อันใดก่อือบาสนั้เป็นธรรมัหัเราจิตนั้นชอบกัด ปฏิอะไรทำบริกรรมบทไหนที่จะทำใจของเราไปรวมได้ไปยึดอันนั้นจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้เพราะทำในเรื่ยตามคำหลักคำลาในเรื่อยตามศสตร์ูอาจารย์ทำอยู่กับตัวของเราคือตัวของก็คือตัวของเรา ผู้เฒ่อผู้มอผูเจ้าของเราผู้โลภู้โกรธูหงผู้วจ้าทองเราเราจะพิจาราทำในตัวของเราเองการ่เจารนะเมื่อได้ผลเราส่งวรีิตจำไมหนักเข่าพอวรริตจำจิตสงบโดยวมแล้วอดถอนเป็นมาพิจารณาเจตตาลการถอนไม่เห็นแย่งเป็นจริงและจิตส่อยวางเลือกพิจารจิตคล่อง ใจกังวลใจดินดีใจเกิเคลื่นต่างๆหรืออยากทำ ม, มาเอาไว้ไ จ, จับเ็นโอปะนย้ยุให้เราทุกคนน้อมเรื่องต่างๆพอมาคายเลยมาสอนใจของความในใจเฉลยละความสงบสงบความปฏิบัติโดยเฉพาะปฏิบัติรอบในปฏิบัติในปฏิบัติกายปฏิบัติจจใจใหงตัว อยไปมุ่งไปตัวนอื่นตัวเองตัวเองอยู่ยังเชิอยู่แต่อยากไปบอกไปสอนคนอื่นอยากไปแนะไปนคนอื่นนั่ก็เป็นเหิดเพราพระเจ้าสอนตัวเขาท่านได้สาวกทั้งหลายสอนท่านได้หมดที่นี่ท่านจสอนคนอื่นเราซึงเป็น้อท่านงควรดำเนินเดินตามรยพระบาอท่าน ดูแต่สอนแคนฝากคนอื่นแค่ก่อนแง้สอนตัวเขียวไม่เห็นให้เดินให้ดีก็ก่อนเรือสอนตัวยังไม่ได้จะสอนคนอื่นผลประโยชน์ก็ไม่มีถั้าตัวเองก็อนไม่ได้รับความสุขความสบายอะไรใจมันสุกมันสบายใจมันหายจากที่อยปัญหาจะสอนหรือไม่สอนมันก็คงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้น Galera, สอนไปก็ไม่เห็นได้อะไรจากการสอนเพราะท่านไม่หนึ่งอะไรมอกเฉยมตตาเสร็จแล้วสอนกอเสร็แล้สอนอยากยังไงใช่มีความสุขความสบายแต่ตัวของท่านจะเกิดมีไมเสียอะไรอีกไหนท่านจะสอนท่านปิดปากของท่านก็ไม่เหมีความเสียหอะไรใครจะมาดูหมิ่นนิน้าว่าพระไม่พระ อะไรไรท่นก็เลยมีานไหแเอียงไปตามลลปของคนมีตตวไปาคนเราใส่เวลาเวลาเวลาอุ่นมพาวนมาติดติดใจของตนติดพาการระวังสังวรจิตมาอยู่ในขอบเขตของายง่ หนึ่ัดในตัวเหนอใดกถึงพยายามจุดอบรมเผยเงเผยเป็นซึ่งเรากาจุดใจในขาดพิมพ์ึงกำไรเราจุดได้นิ็หน่อยแต่เป็นฝนเป็นประโยชน์จุดได้มากสวยยินมีประโยชน์มากสำหรับตัวของเราฉะนั้นเมื่อจุดขันทุกคนได้สะดับรับฟังคำนี้แ่าดี๋อที่บายมา เรานำไปผลคิดที่จะได้มาเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ชอบเร่งนำไปผลคิดปฏิบัติตามต่อจะกนั้จะมีความสึขควาเจรแล้วใารามปฏิบัติธรร้ะขอเป็นพีและเป็ใจและเปี่ยนจากผิดด้วยเหตุผเจริญการสุขภพรักษาผลคิดขั้นลนรักคามสุขความเจเอง โดยความไม่อนของพจ้าโดยผัวหน้าต่างเวลา